พิจารณาปัจใจสีที่บริโภคใช้สอยอ น, นะแล้วก็ปัจใจสีที่ได้มาก็ได้มาอย่างถูกต้องไ ม, ไ, มไม่ไปทุจริตมาไม่ไปทําทุจริตกรรมจึงได้ปัจจัยมาเรียกว่ า, าชีวะปาลิสุทธิ์ศีลเพราะนั้นความบริสุทธิ์แห่งศีลทั้งสี่ประการชําระความเศร้ามองคือความทุศีลคือความทุแปลว่าไม่ดีศีลที่ไม่ดีเนี่ยนะก็เหมือนกับว่า ถ้าเหมือนจะสร้างบ้านสร้างเมืองก็ใช่ว่าชำระแผ่นดินชำระพื้นที่ได้เป็นอย่างดีนี่นแหะชำระพื้นที่อย่างเรียบร้อยพอที่จะสร้างเมืองได้สําเร็จก็คืาชำระพื้นที่นั่นแหละศีลวิสุทธิ์ที่ก็เหมือนกับชำระพื้นที่เพื่อจะสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างอะไรทั้งหลายแหล่นั่นแหะเรียกว่าศีลวิสุทธิฐานดีอย่างคนที่จะสร้างบ้านสร้างสึกอะไรทั้งหลายแหลเนี่นะเรื่องที่ดินนี้ต้องให้ความสําคัญเป็นอันดับหนึ่งเลยฉันใดศาสนานี้ ก็ให้ความสําคัญที่ดินคือศีนเป็นลําดับต้นฉันนั้นเนี่ยนะลําดับต้นฉันนั้นในนี้สีลที่ดีก็แปลว่าเท่ากับแผ่นดินที่ดีเหมือนกับว่าแผ่นดินที่ดีเสาเข็มเสาอะไรก็ลงได้เรียบร้อยฉันใดศีลวิสุทธิ์ที่ก็ฉันนั้นเนี่ยนะเป็นพื้นที่ที่มั่นคงจริงๆสามารถที่จะรองรับตึกกี่ชั้นดีกี่ชั้นกี่ชั้นตรงนี้ยกเก้าชั้นตรงนี้ยกมาเก้าชั้นเนี่ยโอ้ยปราสาทเก้าชั้นนี่ก็พิเศษแล้วเนี่ยนะทำไมได้เก้าชั้นนียนะ เอาแบบมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยนะประทานตัวนั้นเนี่ยนะเขาแบบประธานแปลว่าความเพียรนะโดยศัพท์ประธานนี้ประธานะเนี่ยแปลว่าความเพียรความเพียรที่ที่สูงสุดแห่งความบริสุทธิ์เมันเป็นการกระทําเป็นความเพียรเป็นที่ตั้งเป็นประธานที่สูงสุดแห่งการปฏิบัติเลยนี่คือศีลเป็นเรื่องแรกนะศีลเหมือนกับแผ่นดินศีลเนี่ยเหมือนกับแผ่นดิน ทุกๆสิบห้าวันเนี่ยนะพระพิสูจน์เนี่ทนยท่านจะสวดอะไรสวดปฏิโมกข์เลยมันจะฟังปาฏิโมกข์สวดปาฏิโมกข์สิบสี่คั่หรือสิบห้าคั่แปลว่าเดือนละสองครั้งพูดแบบภาษาชาวบ้านหน่อยเขบอกว่าท่านก็เท่ากับว่าท่านเอาโฉนดที่ดินมาอ่านกันอหลังเรามีทรัพย์สินเท่าไหร่เนี่ยก็เอาโฉนดที่ดินมาอ่านกันนั่นแหละนะมัน ฟ, ฟังปาฏิโมกข์ก็เหมือนว่ามาทบทวนว่ า, าโฉนดที่ดินแต่ละที่เป็นยังไงถูกยึดหรือยังเนี่ยนะจะไถคืนได้ยังไงเนี่ยนะเป็นต้นนั่น การฟังปาสีโมก็คืออ่านโฉนดที่ดินว่ามีพื้นที่อยู่เท่านี้นะะที่ทํากินของเรามีอยู่เท่านี้นะเอาที่เอามาสาธยายกันเฉยๆก็227ไร่อนะไรก็ว่ากันไปนะก็ว่ากันไปนะก็นะก็อ่านโฉนดที่ดินเนี่ยนะแต่ละแปลงแต่แปลงแปลงไหนถูกยึดบ้างแล้วแปลงไหนถูกโกงไปแปลงไหนเป็นยังไงอะไรไปเนี่ยนะท่นานท้าศีลดีใจก็ไม่ฟุ้งซ่านเพราะว่าศีล น, นํามาซึ่งอวิปปิสาร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 แล้วเราจะสร้างอะไรสักอย่างบนที่พื้นนั้นเนี่ยมันเป็นไงเดือดร้อนใช่ไหมฉันใดถ้าศีลไม่ดีใจก็ฟุง้งซ่านเมื่อใจฟุ้งซ่านจะเอาที่ตรงนั้นจะเจริญสมถาวิปัสนาณนะตรงนั้นมันก็ยากเนี่ยนะโดยเฉพาะเจริญวิปัสนาแล้วยิ่งยากพันทิตีวิสุธทธินั้นเป็นความเห็นของการกําหนดปัจจยัยเอ่อการกําหนดนามรูปตรงนี้ท่านบอกว่าที่ถวิสุธทธิคือการกําหนด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 สังคตะธรรมนะมันก็มีแค่นามปรบลูปมันนะถ้าจะเอาหนึ่งนะนับหนึ่งจริงๆก็มีแต่นามรูปนามอัญจารูปัญจาันาก็มีอยู่เท่านี้แหละอกําหนดนามรูปพร้อมทั้งปัจจัยของนามรูปก็คือกําหนดแปลว่ากําหนดนามรูปที่เป็นเหตุออกกําหนดนามรูปที่เป็นผลออกว่าอะไรคือเหตุอะไรคือผลก็ถ้าแบบถ้าพูดแบบภาษ า, านี้นะก็เหมือนกับว่าคนเนี่ยรู้แยกออกว่าใครเป็นพ่อแม่ใครเป็นลูกแค่นั้นแหละนั้นแล้วใครเป็นแล้วเขาบอกว่าเอาถ้าถามว่าอ่าคนนี้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 ปัจจัยสังสารวัตก็สืบเนื่องกันไปอย่างนี้แหละเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่มีอะไรเป็นเหตุแท้และก็ผลแท้อย่างอวิชาก็มีอะไรเป็นปัจจัยบอกมีอาสวะและอาสวะมีอะไรเป็นปัจจัยก็มีอวิชาอวิชากับอาสวะเป็นปัจจัยจึงมีสังขารนะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณกับเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเนี่ยนะพวกนี้มันก็เป็นปัจจัยตามสืบเนื่องกันไปอย่างนี้แหละเราเข้าใจอย่างนี้โดยสามัญจะสานึกจริงๆริงไหมนั่นแหละเป็นทิฏฐิวิสุทธิ เป็นความเข้าใจที่ไม่รู้อะไรมาเปลี่ยนความเห็นอันนี้เราได้อีกแล้วอะนะเราเข้าใจอย่างนี้โดยสามัญยสํานึกไหมหรือว่าแบบแหมนานๆครั้งเอากล้องมาส่องทีนเออใช่ใช่แล้วก็เลิกเลยไม่ใช่แบบนั้นอันนี้หมายความว่าเป็นความเห็นที่จะเตื่นยังไงฝันยังไงก็เข้าใจแบบนี้ไม่เผลอนั่นแหละเป็นที่ถีวิสุทธิเป็นมองมองมองนามรูปพร้อมทั้งปัจจัยขันอายตนะธาตุมันเป็นชีวิตจิตใจยอยู่แล้วแทบไม่ต้องนึกเลย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 วิญญาณขันเพรขันห้ามก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละแล้วขันห้าในอดีตขันห้าในอนาคตขันห้าที่เป็นปัจจุบันขันยาบขันละเอียดขันเร็วขันประเนี้ยดขันไกลขันใกลเป็นกันก็วิจัยไม่ได้ยากเย็นอะไรหรอกไอ้ที่มันยากเราไปบอกว่ามันยากเองคิดว่ามันยากให้ว่ามันยากยากก็เลยไม่อยากจะคิดเพราะมันยากก็เลยบอกพูดถึงก็เลยเครียดตั้งแต่ฟังแล้วเห่าองกันนะะแต่ไอ้เชื่อไหมกิจกรรมการท่องเที่ยวเขามาว่ามันยากกระตาย แต่ทําไมเราก็ให้ความสํำคัญเหมือนมันสนุกเลือกเกินอย่างนั้นเนี่ยเล่นเกมนี่เล่นยากนะมันเล่นกันได้ยังไงก็ไม่รู้แต่ว่ามันไม่บอกว่ายากไงมันง่ายนี่ก็เหมือนกันไอ้คนยากก็คือคนไม่มีศรัทธาการพิจารณาธรรมะเหล่านี้ถ้าเราค่อยๆ ค, ค, คิดตามท่านนะเราอย่าไปคิดแบบเราสิเราต้องคิดแบบท่านเราต้องคิดตามพระพุทธเจ้าคิดจนแบบมันกลมกลืนกันอนะ่ะไปอยู่ต่างประเทศก็กลมกลืนกับพวกต่างประเทศชันใดเราศึกษาธรรมะเมื่อไหร่เราจะกลมกลืนตามพระอริยบ้าง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 เอาเปลืองจริงนะเนี่ยเพราะเวลาจาคิด เ, เวลาชีวิตเกิดมาทุกคนมันจํากัดใช่ไหมดูที่เอาไม่ใช้ทําอะไรไม่เสียดายเวลาชีวิตกันบั่งเลยหรืออะไรเงี้ยนะชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยนะก็เหลือเท่าไหร่มันก็เหลือนิดเดียวไอ้ที่ผ่านมามันแน่นอนแล้วใช่ไหมเออผ่านมาสามสิบปี เ, เกิดมาแล้วสามสิบปีแน่นอนไอ้ที่เหลือเอาอะไรมารับรองไอ้คนรุ่นหลังเขาก็ไปกันก่อนตั้งเยอะแยะไปหมดแล้วเราจะไปอยู่ได้ยังไงใช่ไหมแล้วชีเวลาที่เหลือนี่เราจะได้สาระแก่นสารอะไรมั่งเป็นต้นเนี่ย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 ยิงกลัวยิงอันนะกลัวยิงกับกลัวพีอีกไปให้ไปอยู่ป่าช้าไม่กลัวนะแต่ว่าถ้าให้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกเอาไหมบอกโอ้โหเป็นนี่มันสาบกันชัดเลยเนี่ยทําไมแช่งแช่งหนักขนาดนี้เหมือนก้นเราให้มากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เด็กไม่ไหวกลัวยิงยิงเลยนะเนี่ยกลัวมากอ่ะพูดเลยยังแทบพลุกเหมือนกันบอทําไมมันกลัวรู้ไหมเขามากลัวอะไรกลัวมาทําบาปไม่ใช่อะไรครั้งนี้ถ้าสมมุติว่าทับพลาดแล้วไปไหนเขาเนี่ยนะ โอ้ยคดียาวเลยกันนะคิดดูนะสมมติว่าดวงที่เจ็ดท่าที่ทำไว้ชาติหนึ่งมันให้ผลนะให้สองถึงหกดวงที่อดีตเป็นต้นมันตามมาหมดเลยอะ่ะแปลว่าสมมุติว่าถ้าหลุดไปอบายเมื่อไหร่แล้วก็โห อ, อย่างอื่นตามมาหมดแ ม, มนุษย์เนี่ยนะอย่างผู้ที่ไปสุขติมันน้อยเพราะอะไรเพราะคนที่มีพระรัตนตรายเป็นอารมณ์เนี่ยมันน้อยมนุษย์ยุคต่อ ต, อตอไปเนี่ยคิดหรือว่ากลับมาใหม่จะนับถือพระรัตนตรายยากเท่านั้น แค่เขาพูดว่าพระพุทธเจ้าคือคนสําคัญของโลกเท่านั้นเองเขาใช้คําว่าคนสําคัญของโลกเท่านั้นเองก็แปลว่าไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าเจงกิสขานไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าอีกหลายๆคนเท่าไหรหรอกแปลว่าคนสําคัญของโลกเท่านั้นเองท่านถามว่าแล้วเราจะให้ความสําคัญเออก็จะใช้สิทธะกันแล้วกันก็ก็รู้ได้เท่านั้น น, นะท่านัหนักๆเข้าเราจะไม่รู้พุทธคุณอะไรซากอย่างเลยนะไม่รู้พุทธคุณไม่รู้ว่าพระปุพพจริยาคุณ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 ชันใดนี่เด็กยุคยุคใหม่นั่นคือศาสดาของเขาศาสดาของเขาคือผู้ที่แบกปืนแบกอาวุธะใครที่สร้างความชีพหายให้แก่โลกที่สุดนั่นคือศาสดาของเขาเขานับถือพวกนั้นก็แปลว่านับถือศาสนาปานาธิบาสนับถือศาสนาอธินนาทานนับถือศาสนากาเมสุมิฉาจานนับถือศาสนามุสาวาทนับถือศาสนาสุราและเมรัยเป็นต้นนะนะทั้นี้ก็นับถือกลุ่มเนี่นับถือ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 ถ้ามองกันเป็นอาศงไข่อสงไข่หลายสิบหลายร้อยอสงไข่ไปแล้วเนี่ยมันจะน่ากลัวขนาดไหนเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าไม่รู้สัอย่างเดียวมันก็สบายดีเหมือนกันนะปิดตาสัอย่างเดียวมันเหมือนรถม้าลําปางเขานว่าเขาบอกว่าอย่าใช้ชีวิตคล้ายๆม้าที่ลําปางเขาบอกว่าทำยังไงอ่ะก็ปิดตาให้มันเห็นแค่ทางที่มันเดินมันไม่ต้องเห็นรถข้างหน้ามันจะได้มันจะกลัวไงถ้าหากว่ามันเห็นจริงมันไม่ไปหรอก เขาก็เลยปิดตาให้มันมองแค่ที่ก้าวเท้าของมันข้างหน้าแค่นั้นนะ่ะถามว่าดีใจไหมที่เราจะถูกปกปิดขนาดนั้นว่าไม่เอานะเพราะว่าเรารู้แล้วชีวิตข้างหน้ามันไม่ได้โสภาสถาพร อ, อย่างที่เราต้องการหรอกเนีนะนะตั้งใจให้ดีเธอเรานี่แก่วันนี้ทุกวันทุกวันทุกวันอันนี้ก็เห็นเอยู่แล้วใช่ไหมเขาบอกว่าร่างกายถ้าเรารักษาไม่ดีหาอาหารผิดผิดหายาผิดผิดมาใส่ร่างกายอนาคตเป็นยังไง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 พระอธัตริย์าจารย์เป็นต้นท่านบอกเลยว่าโลกนี้เป็นโลกที่เต็มไปด้วยอันตรายนะมันเป็นอุปสรรคขัดขวางในการทำความดีอย่างเต็มที่นันก็อันตรายมากมันเราต้องคนที่ข้ามกังขาวิตรณาวิสุดที่ได้จริงๆเนี่ยคือคนคิดคิดพิจารณามากแต่ใช้คำว่าคิดมากก็ไม่ก็ภาษานี้เขาสั์นี้ไม่เพราะแต่ว่าจริงๆก็แปลว่าคนคิดมากก็ไม่ผิด คือคนที่พิจารณามากใคร่ครวญมากโดยเฉพาะใคร่ครวญอดีตใคร่ครวญอนาคตเขาไม่ได้แช่อยู่กับปัจจุบันอะไรหรอกเขารู้เลยว่าอดีตคือทิมเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนเรื่องอดีตไม่ใช่น้อยใช่อะไรน้ำตาของเธอที่ท่องไปในวัตตะน้าตามากกว่าน้ำทะเลก็แปลว่าพิจารณาอดีตแล้วน้าตาของ เ, อเลือดของเธอที่เสียไปก็มากกว่าน้ำทะเลใน อดีตน okay. ้ำนมที่เธอดื here. ่มก you know you know ินก kind of ็มากกว่าน้ําทะเลหรืออีกบางส่วนถ้าบางคิดบางในก็เหงื่อเสียงเหงื่อในอดีตเนี่ยก็มากกว่าน้ําทะเลเนี่ยนะเหงื่อที่ออกมาเค็มๆฉันใดน้ําทะเลที่รวมๆก็เค็มฉันนั้นเขาเขาบอกมองไม่เค็มหรอกมันขมเลยมันเค็มมากจนขมเลยเพราะฉะนั้นถามว่าแล้วอนาคตอ่งอีกบางแห่งพระองบอกว่าเธอถ้าเธอไปเห็นคนพิกานนะเธอใส่ใจได้เลยว่าอดีตเธอก็เคยเป็นมาแล้ว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 วัตทุกขเป็นมูลในอดีตวัตทุกขเป็นมูลที่จะมีต่อไปในอนาคตทุกข์ในการสแสวงหาอาหารในปัจจุบันเนี่ยอันนี้เป็นอาหารแห่งความเพียรชั้นใดผู้ที่จะอบรมปัญญาเพื่อข้ามความสงสัยในอดีตอนาคตนั้นอ่ะจะต้องเป็นคนที่ไค้ครวญทั้งอดีตอนาคตในที่สุดเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วจึงมุ่งปฏิบัติเพื่อเบือหน่ายและคลายกําหนัดเนี่ยนะเมื่อปฏิบัติมากๆเข้าปฏิบัติเพื่อเบือหน่ายคลายกําหนัด เกิดวิปัสสนูปะกิเล ข, ขึ้นนะนะอนุภาพของปัญญาเนี่ยทำให้เกิดแสงสว่างเกิดยานเกิดความรู้เกิดปีติปัทสติเกิดความ อ, อธิโมกเกิดปคจะหาอุปฐานอุเบขานิกันติคนที่พิจารณาอย่างที่ขอนมาพูดไปเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่เเครียดนะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในชีวิตของคนคนนั้นนะของคนคนนั้นเลยคนที่พิจารณาอย่างนี้มากที่สุดคือคนที่มีความสุขที่สุดสาหรับชีวิตของคนนั้น ไม่ไม่ต้องเอาไปเปรียบกับคนอื่นนะเฉพาะคนนั้นเนี่ยเมื่อก่อนไม่เคยพิจารณาไม่เคยมีความสุขอย่างนี้เลยแต่ถ้าพิจารณาแล้วยิ่งมีความสุขมันผลของการพิจารณาเท่าไหร่ก็ได้รับความสุขไอโอพาดความสว่างสวยก็เกิดขึ้นยานะก็เกิดขึ้นปีติเอื้อิ่มใจก็ยิ่งขึ้นสงบยิ่งขึ้นมีแต่ความสงบนะพวกนี้ไม่กวนกวายนะนะพวกนี้ไม่กวนกวายมีแต่น้อมใจเชื่อในคุณของ พระตนะรา ย, ยิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นไปเพียรมากกว่าเก่าชีวิตนี้ไม่ประมาทเลยแล้วก็อธิอุปัานะคือการตั้งมั่นแล้วก็กว้างเฉยมากกว่าเก่าเนี่ยนะถ้าเราดูให้ดีเนี่ยนะโอภาสโอภาสก็คือเนอนุภาพของปัญญายานอธิโมตกตรคหาอุปทานถ้าดูจริงๆน่ในนี้ก็คืออินรียห้านั่นเอง ค, คือเมื่อเจริญเจริญไปเนี่ยบางคนนี่อินทรีย์แต่ละตัวมันมีกําลังมากเช่นบางบางคนเนี่ยอธิโมกมีกําลังก็แปลว่าสัตว์ทิ้นรียเขามีกําลังมากเจริญไปแล้วสัตว์ทิ้นรีย์มีกําลังแต่ที่เรียกว่าวิปัสสนู ป, ปกิเลสเพราะบางคนเข้าใจว่าศรัทธาตัวนั้นคือมรรคผลอันนัะเข้าใจผิดเท่านั้นเองแต่ว่าอธิโมกไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเป็นสิ่งที่ดีแต่คนเข้าใจผิดคิดว่านั่นเป็นมรรคผลเท่านั้นเอง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 ปีติปีติปัดสัมโพชฌงก็คือข้อสามเนี่ยปีติแล้วก็ปัดสัตทิสัมโพชฌงสุขเป็นเหตุใกล้ต่อสมาธิก็คือเนี่ยสุขสมาธิสัมโพชฌงแล้วก็ต่อไปอุเบกขาสัมโพชฌงก็คือโพชฌงเนี่ยมันมีองค์ใดองค์หนึ่งที่ปกติมันต้องครบเจ็ใช่ไหมถึงจะตรัสรู้แต่นี้่มันสำคัญองค์ใดองค์หนึ่งเนะ่ยพิเศษเข้าใจแต่ละองค์ว่าเป็นมรรคผลเท่านั้นแหละที่ไม่ดีไม่ดีอยู่ข้อเดียวคือข้อสิบตัวนั้นเป็นชื่อของตันหา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 ปีติปัสสัตที่ความสงบเกิดขึ้นระดับหนึ่งแล้วมันคล้ายๆว่ามันสบายแล้วนี่พอสบายแล้วนี่ก็ไม่รู้จะทําต่อไปทําไมเหมือนอะไรเหมือนคนไข้ที่ไปหาหมอเขาหมอแบบเป็นยาครบชุดใช่ไหมพอกินหายป่วยระดับหนึ่งเลยเลิกกินยาเลยคราวนีจะไปดื้อยาแล้วคราวนี้จะคลอเสียอกีกก็กลายจะเป็นดื้อยาอีกชั้นใดผู้ที่เจริญสิ่งเหล่านี้ก็ลักษณะนั้นพอเจริญไปได้ระดับหนึ่งมีความสุขมีความสงบก็นึกว่าได้ดิบได้ดีก็เลยไปทําอย่างอื่นที่เป็นกินอาหารแสลงตลอดแล้วคราวนี้ ก็จะหันไปกลับบริโภคกรรมมาคุณต่อกลับไปหมกมุ่นในวัตถุกรรมก็กินอาหารแสลงเนี่ยนะก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็ได้นะนะก็ก็จะบอกว่าเออข้อปฏิบัติในพระาศาสนานี้ไม่ดีจริงมั้งอย่างนั้นนะนี่มันดับกิเลสไม่ได้นี่ตัวเองก็ทําถึงที่สุดแล้วเนี่ยกิเลสก็ยังเกิดอีกกลายเป็นคนที่เข้าใจผิดมันจะต้องระวังให้ดีว่าผู้ที่จะตรัสรู้จริงนั้นอริยมรรตต้องประชุมทั้งแปดองค์โพชฌงก็ต้อง องเจ็ดเนี่ยนะอินซีต้องมีองห้าพละห้าอนะแล้วคุณธรรมคือสติประจวนที่รายละเอียดแจมว่าสติต้องเป็นสติ ส, สติประธานวิริยะต้องเป็นสั ม, มประธานการปฏิบัติต้องเนื่องด้วยอธิบดีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าระดับโลกียะเขาเรียกว่าอธิบดีถ้าระดับโลกุตตระเขาเรียกว่าอิทิบาตเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ต่อไป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 อธิโมกคือศรัทธาปกคะหะคือความเพียรอุปทานคือสตินะแล้วก็อุเบกหาก็คือกลุ่มสมาธิเป็นต้นเนี่ยนะแต่กจริงก็เป็นชื่อของวิปัสสนาเป็นชื่อของปัญญาเพราะะฉนั้นอบรมคุณธรรมปรับตัวจนเหมาะจนสมจนเข้ากันกลมกลืนกันจนมีคุณภาพถึงขนาดว่าป้องกันส ก, กายะทิฐิวิจิกิจฉามไม่ให้เกิดอีกต่อไปอธิบายกับเภสตร์คนหนึ่งบอกมันเป็นวัคซีนเพรางั้นเขาเข้าใจดี ที่ป้องกันได้แน่นอนตลอดไปนะนี่ยยังถ้าองค์มรรคประชุมกันพร้อมอะไรพร้อมมันก็เป็นวัคซีนที่พิเศษไม่ติดเชื้ออีกต่อไปแล้วเชื้อคือส ก, กายยะทิฐีวิจิกิจชาสีและพัตะปรามานไม่เข้าแทรกอีกต่อไปถ้าครบชุดเนี่ยนะแล้วถ้าผู้ใดรับประทานพระพุทธเจ้าบอกว่าองค์มรรคเนี่ยนะบอกว่ายาภายนอกยาถ่ายยาอาเจียนยาสํารอกภายนอกใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้างแต่ยาคือมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปของพระพุทธเจ้าดีจริงไม่มีโทษ ทำรอกกิเลสได้จริงแล้ะรักษากิเลสได้จริงด้วยเนี่ยนะก็มองว่าผู้นี้เป็นยาแต่เป็นธรรมโอสถเนี่ยนะเป็นกุศลธรรมที่เป็นโอสถโอสถคือกุศลธรรม ร, ร, ร, ร, ร, ร, ร, รักษาโรคจิตอาโรคทางใจอ่ะรักษาโรคใจอ่ะโรคใจคืออะไรบ้างอาสวะโอคะโยคะ ค, คันธานิวรณะอนุสัยสังโยต์กิเลสบาปอากุศลกายยตุจิเรตวจีทุจริตมโ น, อนอทุจริเต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 เพราะเขาสร้างความมั่นคงให้แก่จิตใจเป็นอย่างดีเขาบอกว่าฌานจิตทั้งหลายก็มหคตาก็เรียวกว่ามีความมั่นคงแต่ระดับโลกุตระมั่นคงยิ่งกว่าจนถึงขนาดที่เขาไม่เปลี่ยนใจไม่มีอะไรทําให้เปลี่ยนใจสำ ม, มามร ก, กับมิจฉามรกมันจะคล้ายๆกันนะว่มามิจฉามรกมันก็ไม่เปลี่ยนใจเหมือนกันพระพุทธเจ้ากี่องค์เนย่ามาสอนให้ยากเลยฟังกัน พวกสัมมาทิฏฐิบอกมิจฉาทิฏฐิมาเป็นล้านก็ไม่เปลี่ยนใจพวกมิจฉาทิฏฐิบอกพระอริยเกณฑ์กันมาเถอะไม่สนใจเพราะมันก็ดิ่งดิ่งทั้งคู่เหมือนกันนะเราจะดิ่งฝ่ายไหนฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูกมันก็ต้องแยกแยะให้ดีว่าความเห็นนี่สำคัญที่สุดสัมมาทิฏฐินี้สำคัญที่สุดว่าเรามีความเห็นปฏิบัติตามเส้นทางของพระพุทธเจ้าปฏิบัติไหม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 ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เนี่ยนะเมื่อทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ก็พ้นทุก์อย่างแน่นอนแต่ถ้ามันยังไม่เป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยทําไมมันไม่เป็นอย่างนั้นทําไมมันซึมซึซื่อๆอยู่นี่แหละทาไงดีเขามาบอกว่ายังไงก็แนะนําให้ตั้งอัตตาสัมมาปณิทิเธอเนี่ยนะให้มีเต้าไม้ให้มีตั้งเธอเนี่ยแะเขาพระพุทธเจ้าท่านตั้งมาตั้งสี่อสงไขยแสนกัปของเรามาตั้งครั้งสองครั้งบอกไม่ได้ผลเนี่ยนะ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 นะขยันตรวจสอบเขาเรียกว่าเป็นงานวิจัยแต่เป็นวิจัยความคิดเห็นนะวิจัยตัวความคิดนั้นวิจัยว่าอะไรควรเจริญแล้วไม่ใช่วิจัยอันเดียวนะต้องวิจัยทุกที่ควรกําหนดรู้วิจัยสมุทัยที่ควรละวิจัยนิโรธที่ควรทําให้แจ้งวิจัยองค์มรที่ทําให้เจริญเขาเรียกว่าธรรมวิจยะสมโพชงนั่นคือสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะนั่นคือสัมมาทิฏฐิพันธ์แปลว่าเห็นตรงเนี่ยเป็นเห็นโดยรอบเห็นโดย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 กุศลกิจทั้งหลายก็มีอะโลพาอโทสะอโมหะเป็นรากถ้าเราอยากให้ใจมั่นคงขนาดไหนเราก็สร้างรากคืออะโลพอโทสะอโมหะให้มั่นคงขนาดนั้นถ้ามันไม่มั่นคงก็ต้องอัดฉีดแลงวงั้นเถอะปัจจัยภายนอกทั้งปัจจัยภายนอกทั้งปัจจัยภายในปัจจัยภา ย, ภายนอกก็คือฟังให้เพียงพอปัจจัยภายในก็คือโยนิโสมนสิกานทั้งฟังทั้งโยนิโสมนสิการ ก็เอาตามมงคลสามสิบแดนั่นแหละถ้าเจริญตามนั้นจริงก็ถึงจุดหมายปลายทางทำที่สุดแห่งทุกได้แต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเน่ยอย่าเลิกในระหว่างถ้าเลิกในระหว่างก็คือก็ก็ไม่ปลอดภัยอนะก็ไม่ปลอดภัยเพราะถ้าข้ามยังไม่บรรลุโลกุตระธรรมก็ขอให้เราอย่าเพิ่งท้อแท้แล้วก็ท้อถอยเพราะถ้าท้อแท้ในทางตรงก็แปลว่ายินดีในทางโคตรเพราะไม่มีใครสามารถอยู่นิ่งๆหยุดเฉยๆได้เนี่ยนะถ้าไม่ถูกก็ผิดอันมีอยู่สองอย่างตอนนั้นแหละ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 ผลประโยชน์เหล่านี้เป็นของเรานะถ้าคิดแบบนี้บ่อยๆเป็นอะไร <S <S ผลประโยชน์ของเราที่เราควรได้นะเป็นเมตตาต่อตัวเองเนี่ยนะต้องมีเมตตาต่อตัวเองคนที่ปฏิบัติธรรมระดับสูงอันหนึ่งต้องมีเมตตากับตัวเองน้อมนําให้ทุกคุณธรรมเหล่านี้เนี่ยนะแทบจะเรียกว่าตั้งความปรารถนาให้ตัวเองนะขอให้ข้าพเจ้าเจริญด้วยศีลวิสุทธิ์ที่ให้เจริญด้วยจิตวิสุทธิ์ที่ให้เจริญด้วยทิฏฐิวิสุทธิ์ที่ให้เจริญด้วย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 เนี่ยถ้าถ้าเจริญได้ตามนั้นก็ก็ถือว่าประสบความสําเร็จทีนี้อีกอันหนึ่งเนี่ยนะปฏิปทายานทัศนวิสุทธิก็คือวิปัสนาญาณเก้าอันนี้ก็เป็นลักษณะของสัมมาทิฏฐิที่เรียกว่าวิปัสนาสัมมาทิฏฐิตรงๆงยีปวิปัสนาญาณเก้านั่นแหละคือวิปัสนาสัมมาทิฏฐิที่สมบูรณ์เนี่ยนะที่ที่สมบูรณ์อันนั้นตั้งอุทยพยานเห็นความเกิดโดยอาการยี่สิบห้าความดับโดยอาการยี่สิบห้าของ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 ที่จริงถ้าสัตานุโลมิขยานจบก็ต้องต่อด้วยโคตรภูยานแต่ท่านไม่พูดเพราะอยู่ในอาวัชนะของมรรคก็ข้ามไปสู่มรรคยานเลยก็คือยานทัศนวิสุทธิก็คือปัญญาในอริยมรรคทั้งสี่คือโสดาปติมรรคส ก, กธาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคเนี่ยนะก็ชําระบาปอากุศลที่เกิดขึ้นนั้นๆตรด้วยอนุภาพของมรรคนั้นๆนั้นปัญญาวิสุทธิก็ได้ผลก็คือปัญญาในอรหัตตผลไม่มุดใน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 อย่างศีลวิสุทธิ์ที่ก็คือตั้งแต่อเซวานาจะพาลานังไปจนถึงโนและอาราตีวิรติปาราเนมัชฌาปานาจะสัญญโมพวกนั้นอยู่ในคุณธรรมของผู้มีศีลวิสุทธิ์ทีั้งนั้นนะพอศีลวิสุทธิ์ที่เนี่ยไปจนถึงโนน่ะกาเลนะธรรมสวรณังกาเลนะธรรมสา ก, กัตชานะ่นะพอจิตตวิสุทธิ์ที่ก็ตะโปจะพรหมจริยจะเนะีนะ่ยนะพอหลังจากนั้นก็เป็นกังขาวิตรณวิสุทธิ์ที่นี่ก็จะเป็นพวกนะัะ อริยสัจจานทสนางเพราะเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นบาตรแห่งการตรัสรู้อริยสัจส่วนปัญญาวิสุทธิวิมุตติวิสุทธิเนี่ยนะก็คือนันะ่นแหละสัจนิพานสัจฉิกิริยาทำอรหัตผลให้แจ้งนีนิพานตัวนั้นเป็นชื่อของอรหัตผลอา น, นิสงส์ก็คือไม่หวนไหวในโลกกระทำทั้งปวงเพราะท่านสมบูรณ์ด้วยอริยคุณทั้งหลายเหล่านี้เพราะท่านเหล่านี้ผู้ที่บรรลุตามนี้เรียกว่าผู้สมบูรณ์ด้วย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 ควรกราบควรว่าให้ควรลุกรับควรเชื่อเชิญควรทำอัญเชิญควรทำสามีเจิากรรมเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าเพราะบุญที่ทำกับผู้ที่สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมเหล่านี้เป็นบุญที่มีผลหาประมาณไม่ได้คํานวณ น, นับไม่ได้การศึกษาภาเวตาปธรรมเนี่ยการศึกษาภาเวตาปธรรมเนี่ยเราจะได้เรียนทั้งที่เป็นพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณอยู่ในตัวแล้วก็เห็นข้อปฏิบัติที่เรียกว่าศิขาของเราทั้งหลายว่า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 งนั้นถ้าผู้ใดที่ปฏิบัติใดตามนี้จริงน่าจะยินดีกับเขาร่วมกับเขาขนาดไหนเขาคือคนที่น่ากราบน่าไหวขนาดไหนแต่ถ้าไม่เจริญตามนี้ก็กรรมัสโกโมหิสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนผู้ที่ปฏิบัติตามนี้ประสบความสุขความเจริญตามอนุภาพของการปฏิบัติตามแต่คุณการปฏิบัติของตอนเนี่ยนะพราะนต้องเจริญพรห ม, มหารให้กับตัวเองบ้างนะว่าตัวเองควรได้รับผลประโยชน์เหล่านี้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 เนี่ยนะเข้ามาก็ได้แต่พูดอยู่ทุกวันมาไม่คนเขาแปลกไหมเขาไม่สงสารตัวเองกันบ้างหรือไงเนาะหรือว่าเขามันเป็นพวกแบบทอรหดอดทนจะกรีดเนื้อเลือดจะไลขนาดไหนไปตกนรกหัวกระบาลแบกแบนขนาดไหนก็ไม่สนใจเนี่ยนะคือเขามันแหมมันใจเด็ดใจเยี่ยมขนาดนั้นทนได้สเสมอเขาจะทุกข์เขาจะรอดยังไงเขาก็อดทนทนเป็นเยี่ยมอู้ทำไมเขาอดทนจริงๆอนะเนี่ ทำไมมันก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วมีทุกข์อย่างลงแล้วเนี่ยนะมีแต่ทุกข์เบื้องหน้าแล้วทุกข์อย่างลงแล้วไอ้ชะนาที่จะทําที่สุดห่งทุกเขาไม่เคยคิดเลยอ่ะเขาไม่เคยคิดจะออกจากทุกข์เลยก็นึกว่าผู้นี้เขาเขาเป็นศัตรูตัวเองแท้ๆแล้วเกิดมาแช่งตัวเองขอให้ทุกข์มาให้ทุกข์ถามเอารู้ได้ยังไงว่าเขาบอกว่าเขาขอให้เขาทุกข์พฤติกรรมคําพูดความคิดของเขามันบอกอยู่ตลอดเวลาว่าเขาสาปแช่งตัวเองอยู่ พฤติกรรมคําพูดความคิดเขาสาบแช่งตัวเองอยู่นะเขาสาบแช่งอยู่ตัวเองขนาดถ้าเขาไม่สงสารตัวเองเนี่ยนะเขามาว่าใครจะน่าสงสารในโลกกว่านั้นอีกแล้วเนี่ยถ้าแม้แต่ตัวเองก็ยังไม่สงสารตัวเองเนี่ยนะจะถึขนาดไหนนาะเนี่ยนะมันก็เป็นไม่เป็นไรนะก็กรร ม, มสก โ, โกมหีนะตามสมควรแก่กรรมก็แล้วกันเราต้องฝึกเจริญอุเบกขา <S <S ว้างใช่ไหมเนี่นยนะฉนแม่งันเราก็ไปป่วยกับเขาแล้วอา้าวเห็นเขาไม่ออกจากทุกข์แล้วเราไปป่วยกับเขาเฮ้ย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 <biases. S 2> ว่าถ้าเห็นสุนัขปั๊บเนี่ยเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนแลยย้วไม่เชื่อยังมาเกิดเป็นสุนัขเงี้ยนะไม่ใช่ว่าเนี่ยนะเนี่ยเขาไม่ปฏิบัติธรรมนะเขาจึงเป็นสุนัขเนี่ยแสดงว่าไม่เลื่อมใสในพระสงค์ไม่ทําบุญเป็นต้นนี่แหละจึงได้มาเกิดเป็นสุนัขมันเห็นสัตว์ในอบายเห็นพระรัตนตรัยด้วยเอรเห็นด้วยนี่แปลว่ารู้ได้เลยว่าเพราะเขาไม่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยจึงไหลไปสู่อบายทุกขติวินิบาตเพราะเขาไม่นับถือพระรัตนตรัยเพราะไม่ปฏิบัติ ในข้อปฏิบัติตามที่พระรัตนตรัยแนะนำเขาจึงเป็นผู้มีทุกข์เป็นเบื้องหน้าเนี่ยนะจากทุกสู่ทุกเมื่อวานโยมเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยนะดีนะมีพ่อมีแม่ดูแลก็บอกว่าถ้าเป็นสุนัขจรจัดแล้วมีใครดูแลว่าไงเพราถ้าไปสู่อาบายเนี่ยเราคิดหรือว่าหมามีเจ้าของกัไม่มีเจ้าของไหนมากกว่ากัน นนมีมีผู้สนใจกับผู้ไม่สนใจไหนมากกว่ากันป่วยแล้วมีคนดูแลกับไม่มีคนดูแลดูแลก็แค่สักว่าให้อยู่บ้านเฉยๆให้ให้เข้ากินเฉยๆหรือว่าเป็นยังไงเนี่ยนะไหนจะมากกว่ากันนี่นดีนะตัวโตหน่อยถ้าเป็นอย่างอื่นถ้าเป็นปลาอะอยู่ไงอ่ะถ้าเป็นมดเป็นปลวกเป็นกุ้งเป็นปูเนี่ยไปอยู่ยังไงเนาะนี่นถ้าเป็นแล้เป็นเปรตเนี่ยอดอยากหิวโหยเป็นก้อนเนื้อจะอยู่ยังไงแล้วอยู่ในนรกเป็นยังไงก็บอกว่าถามว่าพูดอย่างนี้พูดเพื่อขู่ใช่ไหมพูดไม่ได้อย่างนั้น ผู้จะได้มองเห็นเส้นทางของวัฏฏะให้มันตลอดสายเนี่ยนะว่าเส้นทางของสังสารวัฏมันเป็นอย่างนี้ถ้ามันดีจริงพระพุทธเจ้าไม่ชวนออกรอกเนี่ยนะมันหน้าเฟื่ยเฟินจะตายไปใช่ไหมในตอนต้นแต่ตอนท้ายหน้าเสียใจจะตายทั้งมันมีร่างกายใช่ไหมดูนะโอ้ยตอนมันสุขภาพดีมันแข็งแรงมันโอ้ยหน้าดีใจจะตายหายใจโล่งหายใจคล่องมีสบายจะตายแต่พอมันหายใจไม่ค่อยออกแล้วจะรู้สึกว่ามันหนักเลอเกินเนี่ยนะ อย่างสุขภาพทั้งหลายก็เหมือนกันแต่ละส่วนแต่ละส่วนถ้าไม่ป่วยไม่รู้รอกว่ามันมีโทษเนี่ยนะสมองถ้ายังไม่ขึ้นดาวไม่รู้รอกว่ามันมีปัญหาที่มันขึ้นดาแล้วจะเดือดร้อนเนี่ยนะทุกส่วนของร่างกายนี่มันเป็นอย่างนี้หมดมันเดือดร้อนทั้งหมดทุกส่วนทุกขนทุกแห่งทุกสถานที่นี้พอดีบุญเก่ามันเลี้ยงไว้ดีรอกเนี่ยนะเชื้อโรคมากขนาดนี้ไม่รู้สุขภาพแข็งแรงอยู่ได้ยังไงยังงงเลยนะสุขภาพดีอยู่ได้ยังไงไม่ทราเนี่ยนะโรคมันเต็มขนาดนี้ไปหมดเนี่ยนะ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 ใจแล้วอะไรเป็นเครื่องรักษาใจล่ะก็คือกุศลธรรมทั้งหลายให้อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ปดมาหล่อหลอมใจให้โพธิปัจจยธรรมทั้งหลายหล่อหลอมใจให้พาเวต ป, ปรธรรมธรรมที่ควรเจริญที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดหล่อหลอมใจเนื้อปฏิสัมพิธามรรควันนี้ก็ขอจบเวลาแต่เพียงเท่านี้ท้ายที่สุดนี้ขอให้ใจของเราทั้งหลายเป็นผู้ยินดีในกายคตาสติเป็นผู้มีใจยินดีในสมถวิปัสนา ให้เป็นผู้มีใจยินดีกับสมาธิ3ให้มีใจยินดีกับสติปัฏฐาน4ให้มีใจยินดีกับสมาธิมีองค์5ให้มีใจยินดีกับอนุสติ6ให้มีใจยินดีกับโพชฌงเให้มีใจยินดีปฏิบัติตามอารยมิยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ให้มีใจยินดีตั้งมั่นอยู่ด้วยความเพียรอันเป็นองค์แห่งความบริสุทธิ์ทั้งเก้าประการให้เจริญกสิิเนี่ยนะก็ในที่สุดก็ขอให้ทำที่สุดแห่งทุกโดยท่วนกัน นันมมธนาข้อความในปฏิสัมพิธาต่อจากครั้งที่แล้วซึ่งช่วงนี้เราเรียนถึงภาเวตรประธรรมภาเวตรประธรรมแปล ว, ว่าธรรมที่ควรเจริญควรเจริญหรือเป็นธรรมที่พึงเจริญแปลเป็นภาษาไทยอีกครั้งว่าต้องเจริญถ้าไม่เจริญนี่ก็ออกจากทุกข์ไม่ได้เพราะว่าอย่างที่กล่าวว่าสาระของการ รู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งกําหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้ละสิ่งที่ควรละที่สาคัญมากก็คือการเจริญในสิ่งที่ควรเจริญเพราะถ้าไม่มีการเจริญในสิ่งที่ควรเจริญและจะมีคุณธรรมอะไรนำออกจากทุกข์ถ้าหากว่าเราเจริญในสิ่งที่ควรเจริญผลของการเจริญในสิ่งที่ควรเจริญก็จะทาให้แจ้งซึ่งสิ่งที่ควรทาให้แจ้งเพราะว่าต่อไปนี้ ข้างหน้าต่อไปจะมีว่าทำรรที่ควรให้แจ้งคืออะไรบ้างเช่นโสดาปฏิพลสกาธาคามิผลอนาคามีผลและอรหัตตผลอริยผลเหล่านั้นที่ทําให้แจ้งก็เนื่องจากการเจริญสิ่งที่ควรเจริญคือเจริญอริยมรรคที่ควรเจริญทีนี้อริยมรรคที่ควรเจริญนั้นในภาเวตปธรรมให้ความสําคัญกับสัมมาสมาธิเป็นพิเศษเนะ ในในในพาเวตปธรรมนะยกย่องสัมมาส ม, มาธิเป็นพิเศษเหตุผลว่าทําไมจึงยกย่องสัมมาส ม, มาธินะนะโดยมากก็ชมชมชมส ม, มาธิใช่ไหมทำสามที่ควรเจริญคือส ม, มาธิสามทำห้าที่ควรเจริญคือส ม, มาธิที่ประกอบด้วยองค์ห้าหรือมีองค์ห้าทำสิบที่ควรเจริญคือกสินสิบทุกอย่างเป็นส ม, มาธิหมดเลยทําไมจึงให้ความสําคัญเช่นนั้น เพราะว่ากิจของการรู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งกิจที่ไปกําหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้กิจที่ไปละสิ่งที่ควรละกิจอ น, นั้นเนี่ยสําเร็จด้วยอะไรบอกว่าสําเร็จด้วยปัญญาสําเร็จด้วยสัมมาทิฏฐิสําเร็จด้วยสัมมาสังกัปปะท่้นผลของอการเจริญปัญญามีปัญญานั่นแหละจึงไปรู้ยิ่งไปกําหนดรู้ไปละทีนี้ไอ้การกําหนดรู้การละทั้งหลายเนี่นยนะ จะไม่มีคุณภาพมากถ้าไม่มีสมาธิเป็นเหตุใกล้ปัญญาของผู้ใดก็ตามถ้าจิตไม่ตั้งมัน่นปัญญาเหล่านั้นจะทำกิจได้ไม่เต็มที่คาถาธรรมบทคุธกานิกายพระองค์ตรัสว่าปัญญาย่อมไม่ไม่มีแก่ผู้มีจิตไม่ตั้งมัน่นเหมือนดอกกระทุ่มบนหลังบนศีรษะคนหัวล้านนะเป็นเนบไม่อยู่เพราะเอาคนหัวล้านนี่มาเนบดอกกระทุ่มได้ไหมอันนี้ไม่ได้พูดกระทบกระทบผู้ตามลำพี สมมติว่าพระโกนผมเสร็จแล้วให้ดอกกระทุ่มมาเหน็บจะอยู่ไหมอ่อไม่อยู่อยู่แล้วเนี่ยไงเดี๋ยวก็จะว่าโยมอย่างเดียวพระของผถ้า ก, ก็ปลงผมไม่เหลือสักทียรไงนี่พูดถึงว่าเหมือนลูกฟักบนหลังม้าเอาฟักแฝงแตงกวาเป็นต้นไปวางบนหลังม้าจะวางอยู่ไหมฉันใดผู้ที่ใจไม่ตั้งมั่นมีจิตฟุ้งซ่านนิวรณทั้งหลายกลุ่มรุมจะมีปัญญาวิจัยอริยสัจได้ไหมปัญญาจะทํากิจได้อย่าง เต็มที่ได้ไหมพันจะต้องหนุนปัญญาขึ้นมาหนุนปัญญาให้โดดเด่นทําปัญญาให้มีคุณภาพหลายๆแห่งกล่าวถึงว่าสมาธิเหมือนกับหินรับมีดปัญญาเหมือนกับคมมีดหรือตัวมีดพันปัญญาเนี่ยนะจะต้องอาศัยหินรับมีดเป็นตัวรับปัญญาจึงจะคมฉันใดสมาธิทั้งหลายก็เหมือนกับหินรับมีดเนี่ยนะหินรับปัญญาเพราะว่าคนคนเดียวกันนี่เรามาทวนถามว่า คนคนเดียวกันนั้นถ้าอยู่ด้วยความฟุ้งซ่านกับอยู่ด้วยใจที่ตั้งมั่นตอนไหนฉลาดกว่ากันตอนใจตั้งมั่นเนี่ยนะฉลาดกว่ากันแต่เราอย่าไปเอาไปเปรียบกับคนที่เขาฉลาดอยู่แล้วนะแต่ว่าในสภาวะในสถานะของคนคนเดียวกันนี้ถ้ามีใจสงบมีความสบายใจเพราะว่าความสุขเป็นเหตุใกล้แห่งสมาธิพันคนที่มีความสงบอยู่ด้วยความสงบใจเป็นสมาธิ ชีวิตก็อยู่เป็นสุขเมื่อชีวิตอยู่เป็นสุขนั้นปัญญาทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นเขาบอกว่าอารยธรรมทั้งหลายวัฒนธรรมทั้งหลายเกิดในดินแดนที่อยู่ด้วยความสงบร่มเย็นเพราะว่าคนจะมีจิตใจสงบเมื่อมีจิตใจสงบมันก็กล้าคิดอะไรที่สบายๆที่ที่เกิดจากความสบายใจอะไรก็ตามที่เกิดจากความสบายใจแล้วคิดออกมาสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งประณีต การ <g arden> วิจัยอริยสัจก็เหมือนกันถ้าอยู่บนพื้นฐานความสบายใจจะวิจัยอริยสัจได้อย่างเต็มที่อย่างกําหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้ก็คืออะไรก็กําหนดรู้ทุกข์สัตว์ทั้งหลายในการกําหนดรู้ทุกข์สัตว์ทั้งหลายชาติพิทุกขลาชราติพิทุกขหาความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจเป็นต้นก็เป็นทุกข์คนที่พิจารณาทุกข์นี่คือคนที่กําลังทุกข์ใช่ไหม บอกคนที่กําลังมีความสุขมากหยิบเอาความทุกขเหล่านั้นมาพิจารณาเห็นไนะเมื่อม um ีใจมีความสุขเมื่อมีใจตั้งมั่นเมื่อมีใจสงบแล้วเอาความทุกขมาพิจารณาอย่าลืมว่าคนทุกกับคนมีความสุขใครบรรลุธรรมมากกว่ากันนะนะสถานะของคนมีความสุขบรรลุธรรมมากกว่าเทียบด้วยกันว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายใครบรรลุธรรมมากกว่าเทวดาบรรลุมากกว่ามันคนที่เขามีความสุขเขาเห็นอริยสัจ ได้ง่ายกว่าบ่อยกว่าคนที่กําลังทุกข์อยู่เนี่ยนะไม่ได้กลัวทุกข์มากเท่าคนที่กําลังมีความสุขเห็นความทุกข์เพราะผู้ที่มีปัญญานั้นจึงเป็นผู้ที่ต้องมีความสุขมีความสงบถ้าไม่มีความสุขไม่มีความสงบอย่างแท้จริงปัญญาก็ปัญญาก็เหมือนกับว่าคนฉลาดอยู่ในแวดวงที่เกลือ ก, กลัวไปด้วยความเศร้าหมองคนตาดีแต่อยู่ในสถานที่ที่มีฝุ่นละอองตลอดเวลามันก็ไม่มีประโยชน์ มันจะต้องอบรมบ่มสมาธิทาจิตให้ตั้งมัน่นทีนี้ถามว่าสมาธิจริงๆเนี่ยอะไรเป็นตัวเกื้อกูลให้มีสมาธิท่านบอกว่าสติสติที่รู้คติแห่งคําทั้งหลายอย่างคิดง่ายๆว่าอย่างของของเราเนี่ยนะในยุคใหม่เข้าใจสมาธิว่าจะต้องไปทำให้มันนิ่งซะก่อนไปไปทำอะไรก็ได้ให้มันนิ่งอย่างเดียวก่อน แล้วค่อยหยิบเอาปัญญาเอ่อเอาความนิ่งเป็นบาทแล้วไปพิจารณาอะไรแต่ตามหลักในพระไตรปิฎกอัตกถาท่านบอกว่าสติกำหนดรู้แห่งคติของธรรมทั้งหลายเมื่อมีสติดีแล้วใจมันตั้งมั่นเองคือถ้าหากว่าอะไรก็ตามที่ทาด้วยสติสัมปชัญญะ ทำด้วยสติที่ประกอบไปด้วยปัญญารอบรู้ว่าอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรละอะไรควรเว้นอะไรควรเพิ่มเติมควรเพิ่มพูนถ้าสติชีน้นาในทุกเรื่องใจมันตั้งมั่นเองเรียกว่าคนนั้นมีความไม่ฟุ้งซ่านโดยโดยพฤติกรรมโดยวิธีการเมื่อเข้าเป็นคนที่มีวิวธีการดีๆเนี่ยนะมีอะไรต้องตกใจบ้างไหมคนไม่มีสมาธิคือคนที่ใจตกเป็นปกติ ลำบากใจกับทุกเรื่องคนที่ลำบากใจกับทุกเรื่องใจจะตั้งมั่นได้มหมสมาธิคือความตั้งมั่นแห่งจิตดังนั้นคนที่ที่ทำอะไรแบบมีสติกําหนดรอบรู้นําหน้าหมดเลยว่าสิ่งที่จะทํามันคืออะไรมีผลได้ผลเสียอย่างไร น, นะเสียหายอย่างไรเป็นต้นเพราะสติตรงนี้ควบคู่กับสัมปชัญญะเสมอสติที่ควบคู่กับสาสตะสัมปชัญญะ น, นะว่าอะไรคือประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ สัพพายะสัมปชัญญะเป็นสัพพายะไหมบริหารกรรมฐานได้อย่างต่อเนื่องไหมแล้วความจริงของสิ่งนั้นอ่ะแท้ๆคืออะไรเมื่อรอบรู้ด้วยสติสัมปชัญญะอย่างนี้ใจจะตั้งมั่นใจจะตั้งมั่นเพราะเพราะว่าคนที่อย่างว่าอย่างสังเกตดูธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยนะคนที่รอดคิดอะไรได้ตลอดสายใจเขาตั้งมั่นหรือฟุ้งซ่านเขารู้ว่าเหตุการณ์อันนั้นน่ะคืออะไรเขาอธิบายได้ แล้วเหตุการณ์เนี่ยจะมีแค่ไหนอย่างไรต่อเนื่องอย่างไรคิดง่ายๆอย่างว่าใครที่ฟังข่าวว่าเออวันนี้ยฝนจะตกเวลาเท่านั้นเท่านี้หรือไฟจะดับเวลาเท่านั้นเท่านี้แล้วจะเปิดอีกครั้งเวลาเท่านั้นอ่ะนะโดยเหตุการณ์ที่มองออกหมดเลยแล้วแบ่งเวลาแล้วว่าไอ้ช่วงนั้นอ่ะตัวเองควรทําอะไรบ้างถ้าแบ่งเวลาถูกถ้าฝนตกออกมาตกใจไหม αι? ไม่ตกใจถ้าไฟดับตกใจไหม αι? ไม่ตกใจถ้าฝนตกก็ไม่ตกใจถ้าไฟดับก็ไม่ ตกใจเนี่ยนะหรือรู้เลยว่าถ้าเราบริโภคแต่อาหารชนิดนี้ทําตัวแบบนี้อีกหน่อยถึงต้องป่วยไงถ้ารอบรู้จริงๆพอไปถึงป่วยจะทําใจได้เพราะอะไรเพราะรู้สาเหตุว่าเออถ้าอย่างเนี้ยในที่สุดมันต้องจบแบบนี้แล้วถ้าแก้อย่างเงี้ปั๊บมันจะทะลุไปเป็นแบบนั้นฉันใดสติที่สติที่รอบรู้กําหนดเหตุการณ์ทั้งหลายได้ที่จะมีต่อไปตัวนั้นแหละที่ช่วยทําให้มีสมาธิเนี่ยนะที่ช่วยทําให้จิต ตั้งมั่นเนี่ยนะเขาเรียกว่าเป็นคนที่อย่างเจริญเมตตาเนี่ยนะเจริญเมตตาเจริญมรณานุสติเจริญพุทธานุสติทุกเรื่องมีเมตตามนำหน้าทุกเรื่องมีพุทธานุสตินำหน้าทุกเรื่องมีมรณานุสติเป็นต้นนำหน้าดำรงอยู่ในคุณธรรมที่เรียกว่าสติถามว่าใจของเขาจะฟุ้งซ่านหรือไม่ฟุ้งซ่านใจของเขาก็ได้ใจตกบ่อยๆไหมถ้าจิตตกคขาจ น, นะ ก็ใจไม่ปกตินะเคลื่อนจากฐานเรื่อยๆคิดไปเรื่อยตกใจไปหมดอนะนี่ๆหน่อยๆก็ไม่สบายใจตกใจไปหมดถามว่าเกิดจากอะไรเกิดจากว่าวิจารณญาณไม่ดีไอวิจารณญาณ น, นั่นแหละคือสติสัมปชัญญะพันสัมมาสตินั้นจึงเป็นอาหารอย่างดีของสมาธิแล้วสติที่ดีเกิดจากอะไรก็เกิดจากวิริยะรู้กิจของตัวเองชัดเจนว่ากิจจริงๆของเรา กิจของการใช้ชีวิตตามคติพระพุทธศาสนาคือละบาปบาเพ็ญบุญอันนั้นคือกิจแท้ๆของของเราเองที่เราต้องไอ้ที่ขยันขยันทั้งหลายเนี่ยนะวิริยะเป็นเหตุให้เกิดสติเนี่ยไอ้วิริยะตัวนั้นเนี่ยหมายถึงความเพียรที่เร า, ากิจสําคัญของชีวิตเราคือละความเศร้าหมองเคลวะสะพะปาปะสะการนังรู้เลยว่ากิจของเราที่แท้จริงคือการกําจัดบาปกําจัดอกุศลกําจัด ความเศร้าหมองทํำยังไงใจจึงจะไม่เศร้าหมองถือเอาภาระอันนี้เป็นหลักอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองทำอย่างไรใจจะเป็นกุศลจะเป็นกุศลในสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรเมื่อไปกองเกี่ยวข้องณสถานที่นั้นอ่ะจะเป็นกุศลได้อย่างไรอนะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีตัวเองสามารถเจริญกุศลอะไรได้บ้างอ่านะก็ต้องวิริยะตัวนั้นอ่ะภาคเพียรที่จะทํากุศลเหล่านั้นให้ ให้เกิดขึ้นแล้วอกุศลตัวไหนที่ต้องกาจัดออกไปและกุศลตัวไหนต้องเพิ่มทูนเข้ามาเมื่อมีความชัดเจนอย่างนี้แล้วสติสัมปชัญญะก็จะวิจัยอะไรได้เมื่อวิจัยอะไรออกมองอะไรออกตลอดสายใจก็ต้องมั่นใจก็ตั้งมั่นเมื่อใจตั้งมั่นอย่างนั้นแล้วจึงจะไปวิจัยอริยสัจได้ย้อนกลับมาว่าสัมมาทิฏฐิปัญญาที่ละสิ่งที่ควรละ กำหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้ละสิ่งที่ควรละเกิดจากใจที่ตั้งมั่นใจที่ตั้งมั่นในกรรมฐานทั้งหลายเกิดจากสติที่แยกแยะอะไรออกได้ทั้งหมดรู้คติความเป็นไปแห่งธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นต้นว่ามันเกิดจากอะไรเหตุปัจจัยอะไรใจยึงตั้งมั่นแล้วใจตั้งมั่นที่เกิดจากสติสตินั้นเกิดจากว่ารู้กิจของตัวเองอย่างชัดเจนเราว่ามีความเพียรว่ากิจสําคัญที่สุดคือการ กำจัดบาปอากุศลออกไปคือการเพิ่มพูนบุญกุศลอ น, นุสสรสูประสัสมภากิจคือการเพิ่มพูนบุญกุศลที่เป็นอย่างนั้นนะนีจะต้องมีคเครียกว่ามีความดีรองรับเหมือนกันนะถึงจะทําได้เรียกว่าศีลสัสมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะรองรับรองรับพืนพ้นฐานเนี่ยนะถ้า ถ้ากล่าวตามมักในการปฏิบัติในชีวิตจริงเลยต้องทบทวนกันที่สัมมาวาจาสัมมากรรมมันตะสัมมาอาชีวะแล้วพัฒนาวิจิตของเราคือละบาปบำเพ็ญบุญคือสัมมาวายามะสัมมาสติกำหนดวิจารณญาณวินิจฉัยแยกแยะให้ดีพร้อมไม่หมดอันนั้นก็เป็นเป็นสติสติอันนั้นทำให้จิตตั้งมั่นอุปจารสมาธิและ อปปนาสมาธิพันธ์ความรู้ที่เกิดจากสุตะมยะยามทั้งหมดมาก็เพื่อวิจัยอริยสัจกำหนดรู้สิ่งที่ควรกำหนดรู้ละสิ่งที่ควรละเนี่ยการรู้เหล่านั้นถ้าขาดวิตกเข้าไปไม่รอดมันจะต้องเป็นขยันมากเป็นคนขยันวิตักกะเนี่ยนะเนี่ยคำว่าวิตกเป็นต้นต้องเพิ่มพูนปัญญาก็จะได้ทำกิจมากยิ่งขึ้นถ้าปัญญาดีกุศลวิตกดีทำให้ศีลบริสุทธิ์มากขึ้น เรีว่าปัญญามาตามรักษาศีล น, น, นะตอนแรกจะรักษาศีลเพื่อให้มีปัญญาตอนหลังปัญญาเป็นเครื่องมารักษาศีลศีลที่มีปัญญาฟอกชําระท่านในอัจกรณิยะเมตสูตรเอาอธิบายว่าปัญญาเป็นเครื่องฟอกศีลศีลก็เป็นตัวฟอกปัญญามันกันเอามาซักนะนะเรียกว่าปัญญาชําระศีลชําระด้วยยานยานก็ชําระด้วยศีล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 ผู้ที่ร่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรเมื่อเห็นว่าความเพียรเนี่ยเป็นเหตุให้เราพ้นทุกข์แน่นอนสติก็สัมปชัญญะก็มียิ่งขึ้นระวังมากขึ้นหรยกว่าตรวจสอบละเอียดถี่ถ้วนมากยิ่งขึ้นเมื่อละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นเท่าใดใจก็ตั้งมั่นเท่านั้นก็คิดว่าตัวเองไม่มีอันตรายะนะสมาธินี้เกิดจากความคิดที่ว่าไม่มีอันตรายโดยประการทั้งปวงเราเป็นผู้ไม่มีอันตราย ทีนี้ไอ้องค์ของสมาธิเนี่ยสมาธิเนี่ยนะถ้าในองค์ของชานทั้งหลายมันอยู่ข้อที่ห้ามาจากวิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกคตาจึงจะตั้งมัน่นยกมาแค่เอกคตาวิตกวิจารณ์ปีติสุขเท่ากับกล่าวมาแล้วเนี่ยนะเพราะนั้นองค์ตัวนั้นอนะมามันหนุนให้เอกคตาก็ตั้งมัน่นถ้าเอกคตาตั้งมัน่นเท่าใดภารกิจที่สําคัญที่สุดของชีวิตก็คือต้องการเห็นอริยสัจ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 เขว่างั้นพอจะทําดีเข้าหน่อยเพื่อนเก่าๆที่เมาทั้งหลายก็มาชวนดื่มอลไรเขว่างั้นนะ ก, ก็คล้ายว่าลักษณะแบบนั้นเอาแล้วก็เอาชำระศีลอีกชําระศีลชําระสมถะชาระวิปัสนาอีกเพิ่มปูนมุนอย่างนี้ก็เลยเรียกว่าพาเวตาปธรรมต้องเจริญต้องบ่มต้องภาคเทียนจะต้องดูแลระมัดระวังเป็นกิจกิจเป็นภาระกิจที่สําคัญของชีวิตเนี่ยนะมีเป้าหมายปลายทางที่ ชัดเจนเพราะนันพาเวตประธรรมนั้นเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าสรนเสริญยกย่องนะยกย่องบ่อยมากเช่นกายยคตาสติผู้ใดเจริญแล้วทําให้มากแล้วอย่งลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดสันเสริญมากเลยเกี่ยวกับเรื่องภาเวตประธรรมยกย่องเยอะในพระสูตรเป็นร้อยสูตรให้เจริญในสิ่งที่ควรเจริญ โดยอาจจะยกตัวอย่างไม่ได้ยกทั้งหมดอาจจะยกแค่สติยกสมาธิหรือยกปัญญาหรือยกกุสสรวิตกหรือยกศีลหรือยกอะไรอย่างใดยอย่างหนึ่งขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้ใหพอโดยมากมีเกือบทุกสูตรเนี่ยนะมีเกือบทุกสูตรเพื่อให้เห็นคุณว่าการเจริญกุสสรธรรมนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญทีนี้ย้อนกลับมาหาพาเวตปทธรรมอีกครั้งหนึ่งว่าพาเวตปธรรม ต่อจากข้อความในท่าสุตตระสูตรเนี่ยนะท่าสุตตระสูตรนั้นยกข้อความที่เป็นพาเวตประธรรมทำหนึ่งควรเจริญคือกายคตาสติที่สหรคตด้วยความสําราญทำสองที่ควรเจริญคือสมถาวิปัสนาทำสามที่ควรเจริญคือสมาธิสามทำสี่ที่ควรเจริญคือสติปัฏฐานสี่ทำห้าที่ควรเจริญคือสมาธิมีองคห้าทำหกที่ควรเจริญคืออนุสติหกทำเจ็ดที่ควรเจริญคือ โทษโชงเจ็ดทำแปดที่ควรเจริญคืออริยมรตมีองค์แปดทำเก้าที่ควรเจริญคือนวปาริสุทธิประธานนี่ยังฆะ9เก้าองค์แห่งความเพียรอันเป็นที่ตั้งแห่งความบริสุทธิ์เก้าประการทำสิบที่ควรเจริญก็คือกะสินสิบนี้พอมาขึ้นข้อใหม่ข้อหกสิบแปดบอกว่าภาวนานี่มีสองอันนี้เน้นเน้นอัปปนาภาวนาอย่างเดียวไม่พูดภาวนาระดับล่างๆแล้ว ถือว่าอะไรนะถือว่าพูดมาหมดแล้วเหรองั้นงั้นภาวนามีสองโลกิยะภาวนากับโลกุตระภาวนาอันนี้ถ้าแยกย่อๆลงมาก็มีอยู่สองอย่างคือโลกิยะภาวนากับโลกุตระภาวนาแล้วมาแยกให้ชัดอีกว่าภาวนาสาม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 ทีนี้โดยปกปติลกโลกียภาวนาที่เป็นรูปาวจรอะรูปาวจรรูปาวจรกุศลแบ่งออกเป็นสามกลุ่มอยา่างเลวอย่างกลางและอย่างประนีตอะรูปาวจรก็บอกอยาก่างเลวอย่างกานกลางและอย่างประนีตไอ้ประเภทไหนสุดๆุดุุดก็เหมือนกับสร้างบ้านฐานเกือบสุดแล้วเลยนะมุดไปเรื่อยๆเนี่ยนะแล้วก็ราวไปทั่วไปทั่วมันจะค่อยๆจมลงไปเรื่อยๆอันนี้แปลว่าอย่างเลว ส่วนสุดลงเพาอย่างเร็วเรา่าส่วนสุดเช่นใครได้ปฐมฌานโน้มไปหากรามทั้งหลายสุดแน่จบแน่ถ้าได้ทุติยะฌานน่ะโน้มมหาวิตกวิจารณ์เนี่ยซุดแน่เนี่ยนะถ้าได้ตาติยะฌานน่ะโน้มมหาปิติก็สุดได้จดตุทัชฌานแล้วโน้มมหาความสุขก็สุดได้อารูปฌานน่ะโน้มมหารูปฌานก็สุดได้วิญญาณัญจา ย, ยตนะก็ยังชอบอ า, ากาสานัญจา ย, ยตนะ เรีว่าถ้ามีคุณชั้นสูงแล้วยินดีพวกล่างๆลงไปเนี่ยสุดนะแปลว่าไม่เจริญเช่นคนที่ได้ปสมอาชานถ้ามีใจหนบหมกมุ่นในกามน้อมไปในกามเสื่อมถ้าได้ฌานระดับสูงถ้ายินดีในคุณล่างๆล่างๆ ล, ง, ๆลงไปอันเนี้ยเสื่อมแน่เนี่ยนะพูดอย่างว่าอยู่ระดับสูงแต่ใยต่ำเาว่างั้นนะถ้าพูดแบบตรงตัวหน่อย ทีนี้ถ้าส่วนปานกลางพวกนี้อนุรักษ์นิยมได้เท่าไหร่ก็เอาแค่นั้นนะรักษาไว้อย่างดีเนี่ยนะธนุถนมอมหวงแหนดูแลปกตกรักษาเป็นอย่างดีในได้ปฐมมาชานก็โอ้แค่นี้ก็รักษาให้มันได้ก็ดีแล้วดีทมเทแล้ววันนี้ก็อนุรักษ์นิยมในคุณธรรมที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยนะก็ยินดีพอใจเพลดิดเพลินที่มีคุณเช่นนั้นพอใจในคุณเช่นนั้นเขาเรียกว่าพวกปานกลางเช่นได้ปฐมมาชานก็บอกโอ้ปฐมมาช น, นี่มันพอแล้วนี่ก็วางได้เลยว่า พร ม, มโลกอย่างเดียวเพิ่นไปต้องไปเอาทุติยะชานบริหารยากเหมางนกันนะไม่ต้องไปคิดอะไรใหม่ๆเราเอาอยู่เท่าเก่านี่แหละดีที่สุดแล้วคือบางคนเนี่ยมันมีความพอใจเต็มใจในคุณบางอย่างเมื่อไปถึงระดับหนึ่งมันจะเลิกเช่นบางคนเนี่ยพอเจริญกุศลได้ระดับหนึ่งก็พอแล้วกุศลแค่นี้พอแล้วอ้ยสิน 5, ส้นห้าสิ้นแปดก็ให้มันได้เถอะวางกันนะอันนี้พวกระดับล่างๆก็จะคิดแบบนี้แต่พวกสูงบอกโอ้ยมันต้องปฐมฌานสิ เขได้ปฐมฌานปับปุ้ยปฐมฌานก็ไม่ธรรมดาแล้วเอาแค่แค่นี้ก็รักษาให้มันอยุยให้มันเสื่อมเธอเนี่ยนะพวกอกพอจเจริญไปถึงทุติยฌานพวกนี้ก็เหมือนกันเี็กบอกโอ้ยทุติยฌานนี่มันดีกว่าปฐมฌานนักหนาแล้วพวกนี้เอาได้พวกเปรียบกับชั้นล่างๆทั้งนั้ตัวเองดีกว่าเพราะอ น, อนุรักษ์เข้าไว้ดูแลปกปักรักษาพวกก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้จนถึงเนวสัญญาณาสัญญาญาตนะมันก็จะเก็บบอกว่าโอ้ยแค่นี้พอแล้ว บางพวกได้เนว่าสัญญาก็บอกอู้นี่สุดยอดแล้วพวัคะก็บอกโอ้ยอักคะของครบแล้วสุดยอดแล้วก็เลยบอกพอแล้วพวกคิติภักยะส่วนบางพวกมีโน้มขึ้นระดับสูงยิ่งขึ้นพวกนี้นเรียกว่าไยสูงไฟสูงเนี่ยภาษาทางธรรมะเรียกว่าวิเสสะภากยะแต่ภาษาไทยมาเอาไว้สกัดจุด เอาไว้เบรกคนอื่นเขาบอกท่วงนี้มันมักใหญ่ไฟสูงกันแลยนะเอาไว้เหยียดเอาไว้ยามเอาไว้ใช้คําไว้ดูหมิ่นกันว่ามันมัวแต่ย่ามักใหญ่ไฟสูงเขาวอกงั้นเอ้าดีไม่ใช่เหรอแต่ก็เป็นคําพูดที่ไว้ถักฐางทัานใครจะคิดอะไรนี่ต้องแอ บ, บคิดนะใครที่คิดหวังความเจริญนี่ต้องแอ บ, บคิดเพื่อให้ปกปิดคิดไม่งั้นเดี๋ยวคนอื่นเขาจะเสียดสีนะกลัวคนอื่นเขาจะเสียดสีท่านจะต้องแบบอะไรจะทําความดีเพื่อให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปต้องแอบทาเมื่อมีอํานาจเพียงพอแล้วค่อยกล้าเปิดเผยเขาว่างั้น แล้ก็พราะกลัวคนอื่นเขาจะว่าเอาว่าพวกมัดใหญ่ไยสูงทะเยอทะยานแต่ทางธรรมะถือว่าเป็นส่วนวิเศษเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยนะเป็นเรื่องที่ดีว่าต้องฝักใยยิ่งขึ้นนะให้มันวิเศษขึ้นสิวิเศษขึ้นสิพระองค์บอกว่าเรายังไม่สรรเสริญการหยุดอยู่แห่งกุศลธรรมจะกล่าวไปใหญ่ถึงล้าหลังท้อถอยมาขนาดหยุดยังไม่สันเสริญสันเสริญได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นไปเท่านั้นเลยส่วนโลกุตระธรรมเนี่ยนะดีอย่างเดียว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 ใกลหรือใกล้สิ่งนี้เขาให้คุยกันกับขันห้าในวัตตาในภูมิสามเพราะฉะนั้นโลกุตระธรรมประณีตอย่างเดียวเพราะาไม่มีอะไรมาเป็นส่วนเปรียบแบบคำว่าโลกุตระธรรมเนี่ยนะว่ามีแต่ดีมีแต่ประณีตมีแต่สูงสุดอย่างเดียวในโลกียะภาวนาโลกุตระภาวนาทั้งรูปราวจรอรูปราวจรโลกุตระกุศล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 ที่ชื่อว่าอะปริยาป น, นาเนี่ยนะอ่ะปริยอปริยาป น, นาก็คือนับเนื่องในภูมิสามอะปริยาป น, นาก็คือไม่นับเนื่องในภูมิสาม <c oughs> ก็คือหมายถึงโลกุตระเนี่ยนะไม่นับเนื่องก็มาจากอะปริยาป น, นาถามว่าเพราะเหตุไรท่านจึงไม่กล่าวถึงการเจริญธรรมะที่เป็นกามาวจรกุศลเล่าแม้น่าจะพูดเรื่องมหากุศลบ้างสิทำไมขึ้นมึงชาน รูปประชาณอรูปประชานน่นพูดถึงโ ล, โลกุตระเอามาหากุศลยาณสัมปยุตไม่ได้หรือตอบเพราะว่าเมื่อการเจริญถึงขั้นอัปปนาอย่างเดียวท่านประสงค์เอาว่าเป็นภาวนาในคำพีพระพิธรรมเรียกว่าแสดงให้มันสอดคล้องกับหลักอภิธรรมเพราะว่าภาษาธิบุตรแสดงไม่ให้ขัดแย้งกับคมภีคมภีวิพังเรียกว่ายานวิพังนะนะยานวิพังหมวดสาม สุตมยญาสุตตามยญาณจินตามยญาณและภาวนามยญาณ น, นี่มาดูข้อความยกมาเป็นตัวอย่างจากอภิธรรมมาดูว่าสุตตมยญาณคืออะไรจินตามยญาณ น, นี่ยคืออะไรแล้วก็ภาวนามยญาณคืออะไรมันก็เลยยกข้อความอันนี้มาคำภีอัตถกะถาอัตถะถาปฏิสัมพิธามมัชนี่ชื่ออะไร อธิ า, าปฏิสัมพันธรรมาสัทธธรรมะปกาสินีทำมบรรทัดบนสุดอ่ะสัทธธรรมะปกาสินีอธิบายไว้ว่ายกมาจากอธิธรรมว่าพระโยคาวจรไม่ได้สดับมาจากผู้อื่นอันนี้ขึ้นต้นด้วยแบบจินตามยปัญญาก่อนนะว่าไม่ได้ฟังจากใครเลยย่อมได้เฉพาะซึ่งกรรมมกตาคือความรู้ว่าเราเนี่ยมีกรรมเป็นของตน หรือความรู้อันสมควรแก่สัจจะที่เรียกว่าอัศ จ, จารนุโลมมิกยาเนไม่ฟังจากใครเลยมีกรรมสกตายานโดยตัวเองส่วนตัวหรือได้สัจจานุโลมมิกยาได้ความรู้ต่ อ, อได้ความรู้ที่อนุโลมต่ อ, อการตรัสรู้อริยสัจหรือมีความรู้ในอายตนะคือการงานที่ประกอบด้วยความเพียกรก็ว่ามีมีความสามารถในการทำอะไรโดยที่ไม่ต้องคนอื่นสอน หรือในอายตนะคือศิลปะซึ่งประกอบด้วยความเพียรหรือฐานะแห่งวิทยาซึ่งประกอบด้วยความเพียรแปลว่าพวกนี้รู้เองเห็นเองเข้าใจเองแล้วไม่ผิดพลาดคิดเองได้หมดเลยสามารถคิดคํานวณเองโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบอกมาแนะนำเสื่อมสอนหรือได้ความชอบใจความเห็นความพอใจความบันเทิงความเพ่งความชอบใจในการเพ่งทำเห็นตานั้นว่า หรือยกตัวอย่างเกี่ยวกับว่ามีความสามารถในการพิจารณาขันห้าด้วยวิปัสนาญาณลาพังตนว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงเป็นต้นเรียกว่าเจริญวิปัสนาได้โดยลาพังตัวเองอย่างเช่นพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์มีใครมาสอนกรร ม, มกตาแก่พระองค์มั่ง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 อ น, นันตสุตเตสุธรรมเมสุเนี่ยนะในธรรมทั้งหลายเกิดมาไม่เคยได้ยินใครพูดให้ฟังเลยเหมัอนกันเคยได้ฟังนู่นเนี่ยดีตชาตินานแล้วเมื่อสมัยศาสนาพระพุทธเจ้ า, า, ศ า, ศาพนาวัคคสปะโน่นแหะสมัยที่เคยบวชเคยเรียนเหมงอนกันแต่ในชาติสุดท้ายไม่มีใครแนะนําเชี่ยมสอนคิดได้เองในอริยศาสตร์ทั้งหลายวิจัยได้เองแม้แต่ว่าท่านใช้เวลาแม้กระทั่งชาติสุดท้ายทั้งๆ ท, ท, ที่สังสมบารมี เสียสงไข่แสนกับขนาดนั้นก็ยังเพียรในการวิจัยอริยศาสตร์6ปีอที่บอกว่าการลมหายใจอะไรทั้งหลายเหล่านั้นคือการส่วนหนึ่งอะใจของท่านวิจัยอริยศาสตร์อยู่แต่ร่างกายอาจจะอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานอะไรก็ตามเถอะแต่ใจของท่านภายในลึกๆ ก, ก็คือการวิจัยอริยศาสตร์ค้นคว้าอริยศาสตร์